ผู้ที่เจริญกรรมฐานโดยกําหนดผมขนและฝานหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกการเจริญกรรมฐานอันนี้เป็นกรรมที่เจริญทางทวารไหนทางมโนทวารเนี่ยไม่ได้เจริญทางปัญจะทะวารคำถาม ท, ท, ท, ที่ว่าแล้วผัรษาจะปรากฏได้อย่างไรก็คือถ้าดูตามตามแนวชาชะกะสูตรก็คืออาศัยมโนกับผม มโนคือพื้นฐานคือพวังใช่ไหมกับผมมโนวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นคืออาวัชนะพร้อมทั้งชาวนะเกิดขึ้นมนัสการคือคิดถึงผมหรือมีผมเป็นอารมณ์นั้นความประชุมของธรรมสามอย่างอันนี้แหละคือผวังเป็นอนันตระปัจจัยเป็นอุปนิสยปัจจัยให้แก่ชวณะแล้วก็ตัวอารมณ์คือผมเนี่ยเป็นอารามณปัจจัยให้แก่ชวาวณะ ดันั้นชาวนานี้ได้ความประชุมหลังนี้เรียกว่าผัสสะได้เกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นเป็นความกระทบกันเราต้องมาเปรียบจากทวารตาเช่นนะอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชมกันเป็นผัสนสะและผัสสะทางตาเป็นอย่างนี้ผัสสะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทีนี้ผัสสะที่กล่าวนี้เป็นผัสสะในมโนทวารอั้นผัสสะในมโนทวารที่อาวัชนะคิดถึงรำเพงถึง เส้นผมเนี่ยนะเป็นการกระทบทางมนโนทวารภาษาอันนี้เป็นอธิวจนะสัมผัสเป็นภาษะแต่เพียงชื่อนะเป็นภาษะโดยชื่อไม่เหมือนเป็นปฏิฆาสัมผัสปฏิฆาสัมผัสเนี่ยภาษาทางปัญจทวารภาษะทางปัญจทวารคือทางตาหูจมูกลิลนกายเป็นภาษาทางปฏิฆาสัมผัสภาษาทางปัญจทวารภาษะเป็นการกระทบกันระหว่างวัตถุ ก, กับอารมณ์ ส่วนทางมโนทวานนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะมันการเจริญวิปัสสนานนเป็นการเจริญทางมโนทวานเมื่อเจริญทางมโนทวานเนี่ยตัวมโนสัมผัสความคิดที่เกิดขึ้นผัสสะในผมในขนในเล็บเป็นต้นเนี่ยนะมันเป็นผัสสะทางมโนทวานทีนี้ถามว่าเอาแล้วนามธรรมา ท, ที่ปรากฏโดยความเป็นจิตจิตธรรมชาติที่ที่อะไร รู้อารมณ์หรือคิดถึงอารมณ์ันั้นตัวความคิดที่เกิดขึ้นที่คิดถึงผมตัวที่วิจัยเรื่องผมมาสิการในผมพวกนั้นทั้งหลายทำเหล่านั้นเ น, นี่ยเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมที่พิจารณาผมทั้งหลายนพิจารณาผมโดยโดยรูปทั้ง44รูปพิจารณาขนในรูปทั้ง44ี่รูปมันจึงสา ม, มารถวิเคราะห์นามธรรมได้ แล้วก็การที่วิเคราะห์ตัวนี้เนี่ยนะจิตที่ไปพิจารณาผมเป็นจิตประเภทใดเป็นมหากุศลเนี่ยนะเพราะนั้นการวิจัยตัวนี้การพิจารณาเนี่ยคือการพิจารณานามธรรมที่เป็นมหากุศลมหากุศลที่พิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาฟันพิจารณาหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นนั่นเองเพราะนันเป็นความคิดทางมโนทวารเนี่ยนะ เป็นอาทิวัจนะสัมผัสไม่ทราบคุณกันตาพอเข้าใจหรือเปล่าไม่ทราบพร้อมมาเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์คะถ้า ถ้าพิจารณาโดยนัยยะของสติปัฏฐานนี้เราจะเข้าใจความเป็นนามธรรมานี้ได้ง่ายแต่ถ้าพิจารณาโดยนัยยะที่ว่าถ้าเรารู้รูปโดยแบบว่าละเอียดรอบครอบแล้วก็จะทำให้สืบต่อไปรู้นามได้นี่มันอย่างอย่า ง, างคือก็เข้าใจนะคะว่าอย่างเช่นสภาพโดยชาชักกสูตรนี้ถ้าทรมาสามอย่างประชุมกันเป็นพัตะก็ คือขณะนั้นเราก็เข้าใจว่าสภาพที่ธรรมะสามอย่างประชุมกันนั้นเป็นผัสสะคือในในวิธีนั้นแต่ว่าจิตที่รู้ก็คือเป็นมนโนทวารวิธีซึ่งเป็นวิถีที่เกิดสืบถอ่อสืบต่อมารู้วิธีวิีที่ผ่านไปแล้วแต่ทีนี้จากการที่ที่ได้ที่โยมลองไปพิจารณาแล้วพยายามจะระลึกดูก็รู้สึกว่าไม่ใช่ใช้คำว่าระลึกดูคือว่า จากการพิจารณาแล้วก็จะให้เห็นนามนี้มันถ้าให้เห็นนี่มันจะปรากฏเห็นได้เฉพาะเวทนาแต่ส่วนพัฒนาส่วนวิญญาณอะไรนี้ถ้าปฏิบัติโดยสติปัฏฐานนี้มันมันจะเห็นได้แต่ว่าโดยโดยไตรยะนี้นี่มันจะไม่ปรากฏนะคะก็เลยสงสัยเลยต้องมาถามพระอาจารย์แต่ที่พระอาจารย์ตอบนี่มันเป็นการตอบโดยหลักทฤษฎีนะคะพระอาจารย์ผมมายังไม่เข้าใจว่าที่คุณไปปฏิบัติที่คุณทำยังไงเนี่ยนะยั ง, ยง จริงๆนะพูดตรงๆเลยสงสัยเหมือนกันว่าไอ้หลักปฏิบัติที่คุณว่าเนี่ยมันเป็นยังไงคือคุณลองเล่าให้ฟังไอ้ที่คุณไปปฏิบัติมาตรงใช่ไหคือฟังแล้วมันงงๆไอ้อย่างก็ว่า้ข้อปฏิบัติมันอย่างหนึ่งการพิจารณามันอย่างหนึ่งไอ้ตัวที่มันปรากฏขึ้นมาให้ปรากฏชัดเนี่ยมันอย่างหนึ่งนะก็หลักปฏิบัติก็คือว่าถ้าอย่างเราเราพิจารณา พิจารณาความเป็นธาตุความเป็นขันความเป็นอายตนะหมายถึงว่าพิจารณารูปโดยนัยะต่างๆนี้จนเรารู้สึกว่าเออเราเห็นเราเห็นเหมือนที่ท่านแสดงในพระคัมภีร์แล้วทีนี้เราก็จะก้าวจากจุดนั้นเพื่อที่จะไปเห็นนามที่มันจะที่ท่านบอกว่ามันมันจะเป็นผลที่เกิดสืบต่อมาจากการการพิจารณารูปนั้นโดยโดยโดยเข้าใจแล้วอย่างไม่ว่าโดยพิจารณาโดยนัยะที่หนึ่งหรือนัยะนัยะที่หนึ่งไม่ใช่เพราะมันออกจากฌานโดยที่การพิจารณารูปโดย ต่างๆด้วยด้วยขันโดยธาตุโดยอะไรงนี้แบบว่าแต่ว่าเราจะหลังจากที่จะข้ามจากการพิจารณารูปเพื่อจะให้เห็นนามที่เกิดสืบต่อนี้ตรงนั้นมันรู้สึกมันยากค่ะท่านติดเข้าใจไหมที่คุณกันตาพูดช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยก็ตามพยัญชนะดูเหมือนกับยากนะครับเพราะว่าเนี่ยท่านแสดงแล้วเนี่ยคนที่มาอ่านเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันยากเพราะว่าบอกว่าพิจารณารูป เมื่อพิจารณารูปแล้วนามเป็นสภาพที่ละเอียดเมื่อยังไม่ปรากฏก็ให้พิจารณารูปไปเรื่อยๆก็แสดงว่านามมันจะต้องละเอียดมากแล้วก็ยากในการที่จะรู้ก็เลยจะต้องพิจารณารูปไปเรื่อยๆแล้วก็นามก็จะปรากฏไอ้คำว่าปรากฏนะครับก็คงจะเป็นที่สงสัยว่ามันจะปรากฏยังไงในเมื่อเราก็พิจารณานามได้อย่างที่ท่านแสดงว่าอาศัยจักขู่และรูปเกิดจักขุ ญ, ญาน จกักรยานก็นามอยู่แล้วภาษะก็นามอยู่แล้วอันนี้เราก็เข้าใจแต่ในทนี่นี้บอกว่านามละเอียดพิมณารูปก่อนแล้วเดี๋ยวนามมันจะปรากฏก็ก็ทำให้เข้าใจยากนะครับก็เลยคือเขามาไม่ค่อยแปลกใกจหรอกทำไมรู้ไมคือโครงสร้างการวางหรือการเจริญทิศทางไม่เหมือนกันนั่นนะ วิธีคิดของเรากับของท่านไม่เหมือนกันคือถ้าพูดแบบภาษาเราเราบอกอันนั้นเป็นรูปประธรรมชนิดหนึ่งอันนี้เป็นนามธรรมาชนิดหนึ่งเอออันนี้มันปรากฏขึ้นแบบนี้อันนี้มันดับไปอย่างนี้เราก็จะคิดแบบเราแต่แบบนี้ซะส่วนใหญ่แต่การวางทิศทางโครงสร้างที่ในคำกีท่านวางเนี่ยนะเช่น ว, ว่าจิตที่พิจารณาผมเป็นจิตประเภทใดหมหากุศล มหากุศลที่เข้าไปวิจัยผมโดยอะไรโดยรูปสี่สิบสี่รูปมีการแยกแยะพร้อมทั้งเหตุพร้อมทั้งปัจจัยพร้อมทั้งสมุตฐานดีไม่ดีเนี่ยนะแต่นี้เป็นการแสดงยานเริ่มเริ่มต้นแต่ถ้าพูดแบบการเจริญแบบพิสดารแบบไม่ต้องเอาลำดับมาวางมากนักนะเนี่ยนะเมื่อพิจารณาผมพร้อมทั้งสมุตฐานก็พิจารณาสามันลักษณะของผมคูณด้วยโตสี่สิบต่อไปเลย แต่การวางอย่างนี้เป็นการวางเพื่อจะได้มองโทษชงออกเพราะว่าจิตที่พิจารณาผมนี่เป็นกุศลใช่ไหมเป็นกุศลที่เจริญเหล่านี้น้อมออกจากวัตะใช่ไหมบอกใช่การที่ต้องพิจารณานามมารมเหล่านั้นะเพื่อจะได้รู้ว่าตัวไหนคือสติตัวไหนคือธรรมวิจยะตัวไหนคือความเพียรจะต้องล้วงเอาจากจิตที่ไปพิจารณาพวกนั้นะมา จะได้รู้ว่าตัวไหนมันขาดตัวไหนมันพร่องตัวไหนมันเจริญตัวไหนไม่เจริญแล้วค่อยๆมาไล่เป็นอินทรีย์เป็นอะไรทั้งหลายแต่นี้ท่านก็จะมองอมองให้เห็นโดยปริญญาธรรมก่อนแล้วจะล้วงเอาปริญญาธรรมในนั้นแหละมาเป็นภาเวตปธรรมต่อไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะได้พิจารณาครั้งต่อๆไปจะได้กล่าวต่อๆไปเพราะฉะนั้นไอ้คําว่าจิตที่ไปพิจารณาผมก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งอันนั้จะไม่มีการอธิบายในลักษณะนี้ เพราะจะได้อธิบายว่านามธรรมทั้งหลายจิตเหล่านี้ภาษะเวทนาสัญญาที่ไปพิจารณาผมแล้วก็ภาษะเหล่านี้เวทนาเหล่านี้มาแยกว่าเวทนาที่เป็นอะถ้าต่อด้วยเวทนานุปัสสนาเช่นเวทนาที่มีผมเป็นอารมณ์อกเวทนานี้ปราศจากอามิตเนี่ยนะจิตเหล่านี้เป็นจิตที่ปราศจากราคะถ้าเป็นจิตานุปัสสนา สังขารขันที่เกิดร่วมเช่นสติธรรมวิจยยที่พิจารณาเหล่านี้เป็นโพชองและต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาอบรมขึ้นมาเจริญขึ้นว่านามธรรมที่ไปพิจารณาเหล่านั้นเป็นกุศลธรรมใ น, ในพื้นฐานเบื้องต้นให้รู้ว่าในฐานะเป็นปริญยญาธรรมไปคัดไปเฟ้นไปวิจัยจนรู้ว่าพวกนี้นะเป็นธรรมที่ควรเจริญถ้าการพิจารณาเหล่านี้เสื่อมไปอะไรจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการวางในระดับสูงต่อไปเนี่ยนะไม่ได้วางใ ห, ให้พิจารณาอยู่แค่พื้นฐานเบื้องล่างอาจารย์คะอย่างถ้าเราจเจริญสติปัฏฐานนี้มันเหมือนกับว่ามันจะเป็นไปได้ง่ายอย่างเช่นอย่างโยมเองนะคะอย่างสมมติว่าถ้าตอนที่เราพูดสัมผัสปลาปะเพลิดเพลินไปนี้แล้วเราก็รู้สึกตัวคิดได้นี่เราก็รู้ว่าเออตอนนี้เรามีสติแล้วเมื่อกี้เราหลงลืมสติอันนี้เราก็ เราก็มันก็จะเข้าใจได้หรือว่าแม้กระทั่งการพิจารณาจิตว่าตอนนี้จิตเป็นมีราคะจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโโทสะอะไรอย่างนี้มันก็มันก็พิจารณาเห็นแล้วก็เข้าใจแล้วก็แล้วก็ก็พิจารณาไปได้ ต่อสายแต่ว่าอตอนพิจารณาโดยในย่าของวิสุทธิมรกนี้ถ้าอย่างกรณีเวทนาอย่างเช่นตอนนี้เราก็บอก<ม>เออแอตอนนี้ก็เย็นดีอากาศก็ดีเพื่อนก็เป็นเพื่อนธรรมะมด้วยกันอะไรเนี่ยก็พิจารณาจากรูปที่ปรากฏเหล่านี้เราก็พอจะสรุปได้ว่าสมณัตเวทนาคือเวทนาที่ปรากฏในขณะนี้แต่พอมาตรงผัรษานี้โยมก็พยายามหลายครั้งที่จะเริ่มจากรูปก่อนแล้วก็จะ พิจารณาโดยนัยยะต่างๆที่จะเราจะดึงไปหาว่าแล้วตรงไหนมันเป็นผัสสะยังไงอะไรนี้มันก็มันก็ได้แค่ว่าเออธรรมสามย่างประชุมกันเป็นผัสสะตามนัยยะของชาชักกสูรแต่ว่าถ้าจะให้ถามจริงๆว่าเราเข้าใจไหมว่าผัสสะมันมีลักษณะอาการยังไงอะไรนี้มัน ก, มนก็มันก็ไม่ไม่ชัดเหมือนที่ว่าเราเข้าใจเวทนาหรือเข้าใจจิตหรือเข้าใจเจตสิกอะไรนี้อยากให้ท่าอาจารย์ลองลองแสดงวิธีการพิจารณาผัสสะให้ฟังนะคะ ก็ให้มาวิจารณ์ไว้ที่คุณพูดไ ด, ได้หละอนุญาตเลยนะคือของคุณนี่เอาหลายเรื่องมาปนกัน น, นะคือก ล, ลุ่มไประลึกว่าขณะที่เออเนี่ยเราสัมผัสปลาปะสติระลึกไปว่าเออนี่สัมผัสปลาปะอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่สติประถานเป็นท้าเรียกว่าเป็นศาสกะสัมปชัญญะเบื้องต้นเท่านั้นเองที่แยกแยะว่าอันนั้นคือความทุ่ศีล นั่นเนี่ยเราเสียศีลไปเยอะแล้วนะอันนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานเด็ขาดอันนี้เป็นศีลวิสุทธิยังไม่ได้เลยจกละกล่าวปยายถึงที่เรากำลังพูดเนี่ยพูดทิฏฐิวิสุทธิเนีย่ยนะผลอาการที่ไปลเลยเกว่าเออนั้นะเพอเจอนั้นสัมผัสปลาปะนะถ้าจะพอเป็นได้บ้างก็คือจะเป็นศีลลวิสุทธิได้เท่านั้นนนะ ทั้งตัวศีลวิสุทธิ์ที่จะต้องไปวิเคราะห์ว่าถ้าพูดอย่างนั้นบ่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นพูดอย่างนั้นแล้วมีโทษอย่างไรมีผลอย่างไรทําไมจึงไปพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นแล้วเสียศีลอย่างไรเสียทรัพย์อย่างไรทํายังไงศีลเราจะดีขึ้นจะบริสุทธิ์ขึ้นอันนั้นเป็นลักษณะของศีลวิสุทธิที่เป็นไปกับสติที่ระลึกเรื่องเรื่องศีลว่าเราที่เพ้อเจอไปนี่เราทุศีลนะอันนี้เป็นลักษณะสติที่เป็นไปกับศีลเป็นกรรมสกตาเบื้องต้นเบื้องต้นที่รู้ว่่่่าทุศีีลเนแตไไมด้ มากพอที่จะรู้ว่าเพอเจอร์เหล่านั้นมีโทษอย่างไรมีผลต่อไปอย่างไรนี้ที่บอกว่าเอาจิตมีราคาจิตปราศจากราคาอันนี้คือความคล่องที่เราท่องมาเนนะเป็นความคล่องที่ท่องมาจนจนชำนิชำนาญว่ า, าจิต16บนี่มีอะไรบ้างจิตมีราคาจิตปราศจากราคาเป็นต้นแล้วค่อยๆเอาเอาเ อ, เ, อเนี่ยตอนนี้เราชอบนะตอนนี้เราชังก็ก็หยิบเป็นธรรมดาถ้าเวทนาเออนี้สุขนี้ทุกธรรมดาทั่วๆไป ซึ่งการพิจารณาโดยโดยละเอียดอย่างแท้จริงเนี่ยเขามีการวิจัยที่อารมณ์อย่างอย่างละเอียดละออพะนพันอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยนะได้รับการพิจารณาใคร้ครวนมาเป็นอย่างดีดังที่กล่าวว่าถ้าชาวนาจิตพิจารณาผมะนะยกตัวอย่างถ้าคุณคิดถึงผมของใครก็ได้หรือคิดผมของตัวเองก็ได้ผมเหล่านี้เป็นอันนี้นี่พูดพูดพื้นฐานว่าสีเราดีแล้วนะจิตตะวิสุทธิเราดี สภาพเราไม่มีทุจริตกรรมเกี่ยวกับเรื่องผมเลยแล้วก็อภิชากับโทมนัตในเส้นผมไม่มีใ น, นในเบื้องต้นเพราะผมด้วยสมถะเหล่านี้แล้วก็เอาผมเนี่ยมาพิจารณาว่าผมมีรูปเก่รูป44รูปแล้วก็วิจัยเรื่องผมไปว่าผม44รูปผมมีกรรมเป็นสมุทฐานความที่ผมมีกรรมเป็นสมุทฐานดูสิผมแต่ละคนมีใครเหมือนกันบ้าง แต่ละคนเนี่ยผมไม่เหมือนกันความหยาบของเส้นผมความละเอียดของเส้นผมก็แตกต่างกันนะะแล้วผมที่มีจิตเป็นสมุทฐานอ่าโดยถ้าจิตเป็นสมุทฐานเนี่ยอ่าผมของใครจะร่วงหรือไม่ร่วงส่วนหนึ่งก็เราปฏิเสธจิตไม่ได้ถ้าเครียดมากๆผมก็ร่วงเป็นต้นแล้วก็งอกเร็วขึ้นเป็นต้นนะนะอันนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายว่าคนที่ผมงอกแล้วโทสะมากนะไม่ได้พูดอย่างนั้น อย่าไปโยงมากเดี๋ยวจะลำบากใจทีนี้ต่อไปแล้วดูว่าอาหารนะมีผลต่อเส้นผมไหมตัวอาหารแล้วผมที่งอกบนศีรษะเลยศีรษะมาเป็นอุตุโรปหมดเลยทีนี้ในเส้นผมมีปฐวีธาตุเพราะมีลักษณะที่แนแข็ง ผอมเหล่านั้นก็มีอาโปธาต์คือเออบิมและเกาะกลมเกาะกลมปฐวีอันนั้นเอาไว้แล้วเตโชธาต์ก็แผดเผาหรือทําให้ย่อยวายโยธาต์ก็อะไรมันงอกขึ้นงอกขึ้นงอกขึ้นแล้วก็หงอกขึ้นงอกขึ้นด้วยงอกกับหงอกมันใกล้ๆกันนะงอกพร้อมทั้งความหงอกก็ตามมาพูดอย่างนี้ของมาก็งอกนะไม่ใช่เม้งองอกด้วยพร้อมทั้งหงอกด้วยอะและต่อไปอีกเอ่อผมเหล่านี้เนี่ยนะทั้งที่เกิดจากกรรมจิตอุตุและ อาหารเป็นสมุทฐานที่เป็นไปอยู่อย่างนี้ น, นะทีนี้ถ้าสาวไปหาปัจจัยของผมล่ะผมที่มีกรรมเป็นสมุทฐานที่จะทำให้ผลเป็นผมได้ไหมอุปชาวเวทนิยกรรมให้ผลเป็นผมได้ไหมแล้วก็อปิราปราเวทนิยกรรมมาให้ผลเป็นเส้นผมได้ไหมแล้วกรรมที่ให้ผลเป็นผมนี่เรียกว่าชนะกรรมอันนะั้นในบรรดา บ, บางอย่างเนี่ยบางคนมีอุปถมัมภกกรรมมาดีทาให ได้รับการดูแลเส้นผมเป็นอย่างดีบางคนก็อุปปีและกระกรรมถูกไอ้พวกตัวปัจจัยเบียดเบียนทำให้ผมเสียหายหรือถึงกับผมเนี่ยแตกทาลายเสียหายไปหมดเลยก็มีทีนี้ น, น, นี่มองในแง่ผมแล้วผมเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกายกรรมไหมทุกครั้งที่สระผมเนี่ยคือกายกรรมทุกครั้งที่พูดถึงผมเป็นวจีกรรม คิดถึงผมก็เป็นมโนกรรมกรรมเหล่านี้มีผมเป็นอา ร, ริมมะปัจจัยเพื่อให้ ม, ม, มีผมเพราะฉะนั้นใครไปล้อเลียนผมคนอื่นไว้อยังไรนะชาติหน้าระวังนั่นดิเดี๋ยวจะมีผมอย่างนั้นแล้วจะลำบากใจนะนี้ถ้าผมเหล่านั้นถามว่าจิตที่เข้าไปวิจัยถึงความเป็นไปของผมหรือวิจัยในความปฏิกูลของผมะนะถ้าเป็นลักษณะกา ย, ยกตาสติก็พิจารณาในความปฏิกูลของผมโดยสี อันนสีของผมเนี่ยปฏิกูลอย่างไรก็สีมันสีของเส้นผมจะงงามต่อเมื่อดูอยู่บนศีสษะที่ได้รับการสะการวีการตกแต่งเป็นอย่างดีเท่านั้นถ้าตรงกันข้ามสีผมปฏิกูลนั่นดีแล้วกลิ่นของผมล่ะอนแล้วสัมผัสของเส้นผมเป็นยังไงนปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยบางทีก็โดยสัมผัสหรือโดยโอกาสที่เส้นผมเนี่ยงอกขึ้นเพราะผมนี่จเจริญเติบโตบนอะไร บนหนังศีรษะที่แล้วหนังศีรษะปกติสะอาดไหมเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นผมก็งอกตามเหล่านั้นมาทีนี้ถ้าพิจารณาโดยความเป็นธาตุปัทวีธาตุที่อยู่ในเส้นผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นธาตุที่เป็นที่ตั้งอาโปธาตุที่อยู่ในเส้นผมอาโปธาตุก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นตัวเกาะกลุ่มเตโชธาตุที่ย่อยสลายก็ไม่รู้ว่าตัวเองนี้เป็นตัวย่อยสลาย วาโยธาที่เป็นตัวอ่นะตึงหรือพัดในนั้นตัวเองก็ไม่รู้แล้วธาตุเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งให้สีให้กลิ่นให้รสให้โอชาพวกโอชาทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าตัวเองนีอาศัยธาตุเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็รู้ว่าวิสิ่งเหล่านี้ทำไมเป็นที่ตั้งแห่งราคะทำไมจึงเป็นที่ตั้งแห่งโทสยามเมื่อเส้นผมงามดีก็เป็นที่ตั้งแห่ง ราคายามที่เส้นผมวิบัติไปก็เป็นที่ตั้งแห่งโทสะสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งมานะเป็นต้นเนี่ยนะก็วิจัยไปเรื่อยๆใคร่ควรวญเหล่าเนี้ยแยกแยะพันสภาพจิตที่เป็นกุศลหลั่งไหลไปกับการพิจารณาผมเนี่ยมากไหมอันนี้นี่เรายกตัวอย่างผมเป็นอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วสภาพจิตที่ที่เป็นไปเนี่ยเป็น ส, สติใช่ไหมที่ระลึกเป็นไปในลักษณะนี้ได้สติอันนี้ถ้าใคร่ควรวญแบบนี้เนี่ยพ้นทุกข์ได้ไหม อันนี้แลเป็นลักษณะของสติสัมโพชงดังั้นการวางเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นนามธรรมทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในผมผัสสะที่กระทบในผมเวทนาที่มีความรู้สึกในเส้นผมเวทนาไข้ควรที่เป็นไปกับการพิจารณาผมแบบนี้เป็นเวทนาที่ปราศจากอามิสเนี่ยนะเป็นเวทนาที่ปราศจากอามิรจิตที่ไปพิจารณาผมแบบนี้เป็นจิตที่ปราศจาก ราคาคือแล้วแต่ว่าจะเชื่อมต่ออันนี้ น, นามธรรมเหล่านี้ไปอยู่ในหมวดของสติปัฏฐานข้อใดแต่ถ้ากล่าวตามสติปัฏฐานว่าการ อ, อนุปัสนาเจตที่ตามเห็นผมโดยอนิจจังทุกขังอนาตาัตตนิพิทาเป็นต้นอันนั้นคือกายานุปัสนาจิตที่ตามเห็นเออขอไปปัญญาที่ตามเห็นเวทนาที่มีผมเป็นอารมณ์โดยอนุปัสนาเจตอันนี้เป็น เวทนานุปัสนาอนุสติหรือปัญญาที่ตามพิจารณาสภาพจิตที่ที่มีผมเป็นอารมณ์เนี่ยนะโดยอนุปัสนาเจตอันนั้นก็เป็นลักษณะของจิตตานุปัสนาทีนี้วิจัยไปแบบนี้นิวรมันลดลงไหมทาไมนิวรมันลดลงแล้วพ่อชงเจริญอย่างแล้วพ่ชงบริบูรณ์เพิ่มไหมได้กําหนดรู้ผมที่ควรกําหนดรู้ได้ล่ ว, วิปลาสอะไรใน เพราะว่าวิปัสสนทั้งหลายเป็นธรรมที่ควรละก็ลักษณะที่ว่าเกสาเกสาสมุทัยเกสานิโรเกสานิโรทคามินีปฏิปทาปฏิบัติจนกว่าจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในขันห้านะผมเป็นรู ป, ปรขันใช่ไหมนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่เป็นไปกับการพิจารณาผมเป็นนามขันแล้วปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากสิ่งเหล่านี้ พระอาจารย์พระโยมก็ได้พยายามที่ทำปริญญายาตะปริญญาในปฐวีธาตุนี้ก็ผมขนเล็บฟันหนังนะแต่ก็ได้ทำแค่ห้าหมวดนี้เท่านั้นก็ได้ทำหลายครั้งแล้วก็รู้สึกว่าที่ได้ก็คือว่ามันจะทำให้ละคาย ราคาโทสะหรือว่าตัณหามาณทิฐิได้โดยตทางข้าประหารอันนี้จะเห็นแล้วก็เข้าใจได้หรือว่าการที่จะปรากฏโดยเวทนาในขณะที่เรากําลังพิจารณานั้นไปเราก็จะรู้ว่ามีโส ม, มนัสเกิดหรือว่ามีอุเบกขาเกิดในจิตที่พิจารณานั้นหรือว่าแม้จะเห็นจิตมหากุศลจิตประกอบด้วยยา น, นาสัมปยุตในขณะนั้นมันก็ปรากฏได้หรือว่าแม้แต่มันก็จะมี มีจิตมีเวทนาแล้วก็สัญญาถ้าเราทำหลายๆบ่อยครั้งขึ้นมันก็จะมีลักษณะที่คล่องแคล่วชำนาญขึ้นก็เห็นชัดถึงสัญญาปรากฏแต่ภัฒสานี้ยังไงยังไงโยงก็ดูไม่ออกว่าภัฒษสาที่เป็นเจตสิกนี้มันมันจะปรากฏตามมาจากการพิจารณาโดยธาตุสีนี้ยังไงนะคะพระอาจารย์คาว่าปรากฏนี่เป็นคาที่คุยกันบ่อยมากมันแปลว่าอะไรกันแน่ หมายความว่ามันบอกมาชั้นนี่คือสัญญาอ่ชั้นคือผัสสะนะแสดงตัวออกมาเลยอย่างนี้หรือเปล่าคือผัสสะเนี่ยนะมันก็คือเป็นนามธรรมที่ไปรับกระทบไปกระทบมานะถ้าถ้าพูดแบบนั้นก็เหมือนไปอะไรนะมันก็คือความกระทบอ่ะนะเ ป, นเป็นเป็นเป็นนามธรรมที่ไปมนาสิการซึ่งในขณะนั้นก็มีผัสสะ น, นะนะบางครั้งก็มีเวทนาคือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิต สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะทำมาห้าอย่างเนี่ยมันเกิดพร้อมกันอยู่ที่ว่าพิจารณาตัวไหนได้เด่นได้ชัดเนี่ยนะเพราะนั้นภาษะตัวนี้อย่างถ้าบอกว่าดูได้ยังไงว่านั่นเป็นภาษะอ่านได้ยังไงว่านั่นเป็นภาษะอ่านวิธีอ่านก็คือเพราะษตัวนั้นอะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเพราะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาทีนี้แล้วถามภาษะเหล่านี้เกิดจากอะไรเกิดจากอายตนะคือผม เกิดจากมานายตนะคือภวังเป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะผัสสะมีอายตนะเป็นปัจจัยอายตนะเหล่านั้นนั้นก็มีนามรูปเป็นปัจจัยดัันการพิจารณาผัสสะนั้นจึงไม่ใช่ในลักษณะว่ามันปรากฏว่าเนี่ยมันชั้นกำลังกระทบอยู่นะไม่ใช่ในลักษณะ น, นั้นเป็นการพิจารณาเชื่อมโยงเพราะถ้าหากว่าพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องผัสสะน้อยลงอะไรจะเข้าใจอะไรอื่นลดลงอีกรู้ไหม ภาษานี้เพราะภาษาเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะภาษาเกิดสัญญาจึงเกิดเพราะภาษะเกิดสังขารจึงเกิดปัญ น, นามขันคือเวทนาสัญญาสังขารนี่มีภาษะเป็นปัจจัยเพรานการพิจารณาที่จะเข้าใจภาษะก็ต้องดูที่ปัจจยุปบรรคือผลของภาษะในขณะเดียวกันก็ต้องดูว่าต้นเหตุที่ทําให้เกิดภาษาคืออะไรก็คือภาษายตนะหรือสลายยตนะ สายตนะนั่นแหละเป็นปัจจัยแก่ภาษาอายตนะคือผมในฐานะอารมณ์มนายตนะคือภวังในฐานะเป็นเนอุปนิสัยเป็นอนันตระปัจจัยเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ตัวภาษะเหล่านี้เกิดขึ้นรับกระทบในเรื่องของเส้นผมแต่เสียงเหล่านี้มันเป็นนามธรรมเมื่อมันเป็นนามธรรมเราจะไปขึ้นให้หยาบหยาบแบบรูปธรรมก็ไม่ใช่ง่าย เขาจึงเปรียบเทียบว่าถ้ามีวัตถุมีอารมณ์เอ่อเขาไปถ้ามีทวารมีอารมณ์แล้ววิถีจิตเกิดขึ้นขณะนั้นเรียกว่าได้ชื่อว่าผัสสะเนี่ยนะก็เปรียบเหมือนว่าไอ้วัตถุกับอารมณ์เนี่ยนะทวารกับอารมณ์ก็เหมือนกับแพรสองตัวชนกันก็จึงมีการเปรียบเทียบอุปมาในลักษณะนี้เนี้ถ้าไ อ, ไอ้ขปากฏของเราเนี่ยจะให้มันชัดแค่ไหนแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจ ภาพมันไม่ค่อยชัดภาษาไม่ชัดหรือปัญญาเราไม่พออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังต้องต้องเอาไปทบทวนอีกอพระอาจารย์คพูดถึงเรื่องคาว่าปรากฏชัดนี่ตรงนี้โยมก็ไม่ได้หมายถึงคว่าจะต้องให้มามีรูปมีนามปรากฏเฉพาะหน้าโดยในยะานนั้นแล้วก็เมื่อเช้านี้ผู้การก็ได้สนทนาถึงประเด็นนี้แล้วก็โยมขออนุญาตข้ามไป ข้างหน้านิดหนึ่งพอดีมันเป็นความสงสัยที่เกี่ยวเนื่องกันในพังคานุปสนาที่หน้าสองร้อยสีะอาจารย์ท่านแสดงถึงเรื่องอคําว่าที่มีการเคลื่อนย้ายวัตถุความว่าพระโยคาวจรเห็นความแตกดับของรูปแล้วเห็นความแตกดับอีกด้วยจิตใดการเคลื่อนย้ายจากวัตถุแรกไปสู่วัตถุอื่นด้วยอํานาจการเห็นความแตกดับไป ย่อมมีแก่จิตแม้นั้นอีกคำว่ามีการหยุดสัญญาได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องสัญญาไปแล้วนะคะทีนี้โยมก็ไม่ค่อยมีความรู้บาลีมากแต่ลองเทียบดูจากหน้าแต่ข้างๆกันเขาก็จะใช้คำว่าเห็นความตรงนี้เขาใช้คำว่าพังคะ ท, ท, ทัศนทะัทนถังอะไรเนี่ย มันก็เหมือนกับคือจาข้อความตรงนี้โยมมีความรู้สึกว่าวิปัสนาที่ท่านพิจารณา น, านี้ก่อนที่ท่านจะพิจารณา น, านี้ท่านก็ต้องมีความเห็นแต่ว่ามันคงยังไม่ถึงกับขั้นว่ามามีรู ป, ม, รปมีนามปรากฏต่อหน้าแต่ว่ามันก็จะต้องมีมีอาการที่ปรากฏเทนี่ยน ะ, ะแต่ว่ารออีกสักสามวันจะพูดถึง <c oughs> เนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยคุณหมอถามครั้งหนึ่งแล้วขอมาก็พยายามปัดออกไปยังไม่อยากจะพูดถึงตรงนั้นคืออยากจะพูดแอบๆไหมคําว่า หนึ่งสองให้มันกว้างขวางให้มันพิสดารก่อนนะเอกคือเอเจาะแบบละเอียดไปแล้วมันพูดไม่ค่อยยากหรอกแต่ว่ามันไม่ค่อยมีผลต่อการเอาไปเจริญจริงมันจึงพยายามจะพูดไอพื้นฐานให้มันให้มันกว้างที่สุดที่เราจะฉีกให้มันกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้นะแล้วตรงนั้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้เข้าใจของมาจะพูดอยู่แต่ว่าออกสักสองวันหรือ3าวันข้างหน้านั่นแหละถ้าคิดถึงนะนะถ้าหากว่า เวลายังพอเสียงไม่มีปัญหาเหตุปัจจัยพร้อมก็คงจะได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไม่อยากให้ไปเจาะในจุดนั้นจนเกินไปอยากให้คิดอะไรที่มันกว้างไปก่อนให้มันกว้างไปก่อนแล้วค่อยสรุปออกมาแล้วตรงนั้นมันจะไม่ใช่ปัญหาอะไรเท่าไหร่หรอกนะซึ่งก็ตั้งใจยอยู่เหมือนกันก็พยายามไม่พูดตั้งแต่วันแรกแล้วนะมัน เ, เขาจึงมีการวิเคราะห์ว่าวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยมันมีอารมณ์อดีตอนาคตรหรือปัจจุบันกันแน่ เนถ้าตั้งคำถามแบบนี้ขึ้นมามันว่าไงก็ต้องบอกว่าตั้งแต่พังคยานเป็นต้นไปเนี่ยนะก็ยังมีอารมณ์ปัจจุบันบ้างอดีตบ้างอนาคตบ้างทีนี้การผู้ธรรมะเนี่ยเขาจะไม่ไม่เน้นอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจนเกินไปวิปัสสนาญาณระดับสูงก็ยังมีอารมณ์ในการสาวิปัสสนาระดับล่างๆก็มีอารมณ์ในการสาที่เป็นอดีตอนาคตและ ปัจจุบันเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าอธิบายบางอย่างถ้ามันคละกันเกินไปมันก็มันไม่มีค่อยไม่ค่อยมีผลในการเอาไปเจริญเพราะว่าที่กล่าวเนี่ยอยากกล่าวในลักษณะว่าเอาไปเจริญได้จริงๆซึ่งของมาที่พูดอย่างนี้ก็พูดเพื่อจะเอาไปเจริญตัวเองด้วยไม่ใช่พูดในลักษณะเป็นอื่นไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราได้มากล่าวมาแสดงในสิ่งเหล่านี้ทําให้จิตของเราเนี่ยเป็นไปกับการพิจารณาธรรมะเหล่านี้มากขึ้นจะได้ไข่ครววใน สิ่งเหล่านี้มากขึ้นอันนั้นเป็นเป็นวัตถุประสงค์เนั้ในช่วงเบื้องต้นนะั้นจึงพยายามอธิบายในแต่ละแต่ละแห่งแต่ละแห่งให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้